วังเทศอัปปมัญญาต่อไปอัปปมัญญาคือพโมวิหารสี่แต่ว่าอัปปมัญญานั้นข้วงยินข่วงข่วงกว่าไม่ตากรุณามุติตาโอเบ ค, คานั้นพโมวิหารสี่ เป็นเครื่องอยู่ของผู้ใหญ่ท่านว่างั้นหรือผู้ปกครองหมู่เพื่อนก็ต้องมีธรรมะสี่ประการนี้เป็นเครื่องอยู่ถ้าไม่งั้นก็ผู้อยู่ในใจบังคับปกครองจะต้องเดือดร้อนเพราะทัญญาในที่นี้นั่นก็อยู่ในสี่อย่างพวกนี้แหละ แต่ลกว้วงกวัวเก่าพระม่หสีดันเมตตาปรารธนาให้เกิดความสุขแก่คนอื่นงันอันหนึ่งข้อที่สองก็รุณาเมื่ออยากให้คนอื่นได้พ้นจากทุกข์การเดียวกันนะฮะ เนะรับของสุระยบกพ้นจากทุกอย่านเดียวกันนั่นแหละมือทีตาเมื่อกขาพ้นจากทุกแล้วก็ดีใจพอใจการที่เขากระ น, นั้นแหละครานี้อุปเปขามันมีอีกชั้นหนึ่งอุปเปขานั่นคือวางเฉยได้ คนที่จะวางเฉยได้ต้องมีปัญญาเหสัตว์ทั้งหลายมนุษย์ทั้งปวงมดไม่ใช่วางเปขาอกขาเฉยๆคือมีเมตตากรุณาบุติตาก็ไม่เอาเปกขาเราช่วยอยากจะให้เขาได้รับความจุขเขาพ้นจากทุกข์แล้ว ม, มีความพอใจยินดีกับเขาคนจากทุกนั้นส่วนออเปขานั้นที่จะให้วางเฉยใดมันยากผู้มีเมตตาผูุนาอุปตตายากนักยากหนาอย่างว่าเรามีลูกมีหลานมีเพื่อนมิตสหาย เมื่อเขาพ้นจากทุกข์แล้วก็ก็ยินดีกับความพ้นจากทุกข์นั้นมันไม่ใช่มันของง่ายที่จะถึงอุเบกขามันต้องยินดีขอใจะอยู่นร่ำไปต้องมีปัญญาพิจารณาถึงกรรมชกตากรรมชกตาพิจารณาถึงเรื่องกรรมของสั์ ทห้าเป็นอยู่อย่างนั้นเขาได้ความสุขพ้นจากทุกข์แล้วก็พองินดีแล้วก็มีความพอใจเรื่มใสแดงพิจารณาอีกไม่ใช่มันหวางถ้ามีไม่มีปัญญาก็วางไม่ได้จัดทั้งหลายเกิดขึ้นมาต้องมีความดีความชั่วมี บุญวาสนาพระรามีและมีบากติดตามมาทุกคนถ้าจะไปพระพรวนกับเขาเป็นห่วงใหญ่อะไรกับเขาเมื่อเขาพ้นจากทุกข์แล้วก็ไม่ได้เป็นห่วงใหญ่อะไรก็แค่นั้นเป็ห่วงใหญ่อะไรก็แค่นั้นพี่เจ้านาเห็นอย่างนี้ กรรมสักกตาสัตว์ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วของเขาต่างหากนอเพียงได้ช่วยประกาละเด็กๆในน้อยถ้าหากว่าบุญวาสนาบุญมีของเขาไม่มีจะช่วยสักเท่าไรมันก็ไม่โคจากทุกจะให้เขาดีเขาดีบก็ดีมันก็ดีไม่ได้ ที่เราช่วยจะช่วยวาสนาบา ร, รมีของเขาเขาไม่ได้ความดีก็เพราะวาสนาบา ร, รมีของเขาพิจารณาอย่างนี้มันค่อยหวังไปได้เนะมตตาคือมิตรนั่นแหละผู้ที่มีเมตตาคือมีมิตร ตัวเขาตัวเราชั้นใดตัวเราเป็นชั้นใดก็ตัวเขาก็ให้เป็นเช่นนั้นอันนั้นเรียกว่าเมตตาเราเมตตาลูกเมตตาหลานเมตตาเพื่ อ, อนพี่น้องญาติโยมหรือว่ามิตรสหายของเราเป็นเฉพาะมันไกลนิดเดียว อันนี้เรียกว่าพรโมริหานความสุขความทุกข์ของเขาเช่นไหก็ให้เหมือนกับของเราของเราเช่นไหนก็มเมือนก็นขเขาเช่นนั้นจึงว่ามิมตรเมตตาคือมิตรเราได้คนสุขเพียงแค่นี้ก็จะให้เขาความสุขยิ่งพอปานนี้แหละ แล้วเขาพ้นจากอยากให้เขาพ้นจากทุกข์คือเขาทุกข์อยู่นั้นทรมารณ์เนีนะเพราะว่าไม่ว่าศรรัตว์หว่าบุคคลและไรมดเหมือนกันเขาพ้นจากทุกข์แล้วก็ดีใจพอใจหม่ห่วงไม่กังวลอย่างว่าให้ฟังมาแล้วคือพิจารณาเห็นยยกรรมชกตาจึงจะปล่อยวา ง, งไปได้ กรุณาความสงสารเอ็นดูที่เขาให้อยากแก้กับพ้นจากทุกข์เขาทนทุกข์ทนมาเขาอยากจะพ้นไปเมื่อเขาพ้นแล้วก็ยินดีพอใจยิ้มเอิในใจของเรามีเป็นผมมวิหารสวนรั์ปัญญาไม่เลือกขดขานี้ พวกแฝงมนุษย์สัตว์เหมือนกันมีวิญญาณขึ้นมาเกิดมีวิญญาณและเหมือนกันมีสุขมีทุกข์เส ม, มอเหมือนกันมนุษีเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันในเลือกชาติวันนะบุคคลในทั้งมดสัตว์ทั้งผวมเหมือนกันทั้งนั้น เร า, าท่านญาตนี้ให้มันเสมอภาคกันหมดอาธนาใ้เขาได้ความสุขตอนนี้มันต้องมีสมาธิภาวนาเป็นเครื่องอยู่ถ้ามมนมีสมาธิภาวนาไม่ได้เล็ดขาดเราความสุขสบาย เพราะเหตุที่เราได้ความสุขั น, นั้นมันเป็นสมาธิภาวนาแล้วมันจะค่อยหวางเสมอภาคมดถ้ามีสมาธิภาวนาก็เป็นแต่เพียงเมตตาปรารถนาอยากจะให้ก็ได้ความสุขคือพี่น้องญาติวงของเรา ถ้าไม่ใช่ญาติพี่น้องก็ไม่ปรารถนาจะให้ความสุขวิสัตถได้ฉานก็ไม่จะปรารถนาจะให้ความสุขบางทีหากว่าปรารถนาเช่นนั้นและวยังให้ความสุขเช่นนั้นเนะ่ะเมื่อเขาทําไม่ดีก็เลยกรับโกรธเขามันความที่อยากจะให้เขาได้ดีได้ดีก็เลยหายสูญไป นันเมตตาทันใเพียงแค่นั้นสตปัญญาเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นเขาทำดีก็ดีเขาทำชั่วก็ดีพูดว่ากล่าวตักเตือนเขาโดยประการต่างๆให้เขาดบเขาดีถ้าเขาทำไม่ดีก็ยังมีเมตตาอยู่อย่างเขาพูดประชดประเชยเราเราดีพูดคังหยาบคายเรานี เกิดอ็นดูสงสารเขาัอยากจะให้เขาได้ดีปร้เดีล่ำไปไม่คิดว่าเขาด่ามื่ไม่คิดว่าเขาพูดเหยียดหยามดูถูกเราปัญญ์อปัญญาล้อ็นดูรงศารปราชนายอยากให้เขาได้ความสุขอย่างเดีย่ยบนี้จึงว่ามันถึงใจ มันถึงสมาธิภาวนาแล้วมันยังเคยเปลี่นไปได้มาแจกแ้งให้มันเป็นเมตตาโดยมากมันแกล้งให้เป็นอยากจะให้อยากจะให้เขาได้ความสุขนี่มันเห็นความทุกข์ของเขาเกิดขึ้นมาแล้วไปจากให้ความสุขมันเฉพาะเจาะจง ก็เป็นยาอาจจะเป็นเช่นนั้นไหมมันเสมอทั่วกระมดไม่ว่าสัตว์ผู้คนไ้ปรโมทปรารถนาใจความสุขจริงๆเมื่อเขาได้ความสุขก็ยินดีพอใจอาการนี้ยินดีพอใจกับความสุขของเขาที่เขาพ้นจากความทุกข์น่ เมื่อเขาพ้นจากเมื่อเขาได้รับความสุขแล้วยินดีพอใจในความสุขของเขาแลนั้นเมื่อเป็นเช่นะั้นแล้วพิจารณาทวนทบกกับขึ้นไปถึงสัตว์ทั่วไปหมดมีกามเป็นของตนทำดีก็ยอมได้ดีทำชั่วป็ยอมจะชั่ว ที่เราปรารถนาจะให้เขานับภบสุขแล้วเขาพ้นจากทุกข์นั่นไปยินดีพอใจแล้วนั้นนอกจากพอจใจแต่คำพอดีพอพอใจแล้ว อ, อ, อิอวอ่มใจพอใจแล้วอยากจะให้คนอื่นสาตอื่นก็นยินดีพอใจแล้วทั้งหากว่าเขาไม่พ้นจากทุกข์แล้วก็ปล่อยวางได้ ม่ติพันธ์อปัญญาม่ติพันธ์เห็นกรรมมัชกตากรรมตากรรมชกตาสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเองของตนปล่อยวางเจ้าของกระลงเป็นสมาธิภาวนาตามเดึงคนเราถ้าหาก ม, มีเมตตาเียง ในโลกนี้อยู่ด้วยกันไม่ได้มีเมตตาน้อยก็มีหมู่น้อยพวกล้วกน้อ ย, อยมีเมตตามากก็พวงขวงเข้าไปอีกมนุษย์สัตว์ที่เขาพูดเรียกว่ามนุษยธรรมคือมีมนุษยธรรม อย่างพวกเขมิ้นทุกทุกแต่ยากบากกรรมเพราะนี้ตายเพราะนี้สงสามาพดอยากเื่าประการทั้งต่างชาวโลกทั้งปวงหมดช่วยเหลืออุ้มชูทั้งที่ไม่มีไม่ใช่ไม่เคยน่าเห็นตาเลยบางคนก็ยังมีเมตตา พระธุนนาอยากจะให้เขาได้พ้นจากทุกได้ร่วมมนุษย์ด้วยกันได้ร่วมมาเป็นมนุษย์ด้วยกันแล้วก็อยากให้ผมสุขเหมือนกันแต่เฉพาะเจาะจงพวกขมินเท่านั้นจะพวกชาติอื่นนะก็ไม่เมตตายอย่างนั้น น, นั้นจึงเรียกว่าเป็นมนุษย์สถาแก่า เอาผมไม่หาเหมือนกันอันนั้นก็นดีเนี่ยว่กากดสากฎของโลกของเขาก ว, าว้างไว้กวงคุ้ว้างไว้ให้มีอิสระเสรีทุกผู้ทุกคนให้คมเห็นซึ่งกันให้เบียนเบียนซึ่งกันทั่วไปหมด นั่นก็เป็นพ ร, นนนาารมยหารเหมือนกันมี่อทหารมันมีพรมหารเสร็จแล้วโลกคลิปหายหมดอย่างพวกข่าเหม็นพวกนวนเน่ยไล่ทรงหนีจากประเทศของตนไป ไล่ไ้ส่งไปราชการน้ำตาลไม่มีเมตตาตาหนี้ไปทุกยางน้ำบากส่งไว้กลางทะเลบางทีเรือไปล่มจมไปเหื่อปลาหมดไม่มีมนุษยธรรมชาติอื่นๆเขยังเอ็นดูเมตตาเขายังปรารถนาวางดีแต่ชาติของตนเองไม่ปรารถนาวางดีต่อชาติของตนเลย ถ้าเป็นอย่างโวนทั้งหมดมันจะคิบหายหมดเลยสิไทยก็เป็นอย่างญยนนะม้าก็ไปเอาละไม่ใช่คนชาติของเราวิชาติอื่นก็ไเอาละเลยมนุษยโนธรรมไม่มีอันนี้หากมีมนุโนธรรมนายชาติจะช่วยเหลือกันช่วยสงฆ์สงหาพอลื่นลึนตาให้ตัก ธ ร, รมะเหล่านี้เป็นของมีมาแต่ไหนแต่ไรผมมีานสี่ของนี้อย่างนั้นอัปปมยาธรรมของอัปปมยาธรรมก็มีอย่างนั้นเขาหยิบยกขึ้นมาใช้แต่ละอย่างแต่ละอันไม่ทั่วหมดคือธรรมดาตั้งชาติยานุนษของเราเกิดขึ้นมาจะต้องเป็นอย่างนั้น ก็ดีเพือนกันผู้คิดที่แรกคิดให้มีกฎสากลในกฎกฎมนุษยธรรมกฎสากลของโลกเขาไปคิดเห็นอย่างนั้นก็เรียกว่าเขาไปหยิบยกเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาใช้หน่อยไม่ใช้หมดก็มาใช้นิดนิดแนด่นอนพระพุทธเจ้าก็ไม่ไดเอามาจากอื่นไกล เอาธรรมชาติของจริงนี่แหละเอาไปธรรมชาติของจริงมาเทศให้คนฟังคนที่มันคิดทีแรกมกันกัเอาธรรมชาติของจริงอ่ น, น, นก็ไม่ใช่ของอื่นของไกลของเป็นจริงนั่นทุกคนเรามาพิจารณาเรื่องธรรมะที่พระองค์เทศนาไว้ทุกจริงทุกอย่างนั้นอาจะเป็นของจริงทั้งนั้น เฉพาะส่วนตัวพิจารณาเข้ามาเฉพาะส่วนตัวแล้วพระองค์จะค่อยเห็นของเท่านั้นเพราะไม่หาสีนีถ้ถ้าหาเพราะวนาเป็นไปด้วยใจของตนเองแนละ้วมันั้องเมตตาเองหรอกมนุษย์สตว์ทั้งหลายเพราะไม่หาสีก็ดีเอาพระบัญญัก็ดีถ้าไม่เกิดในที่นี้ที่นี่ไม่สงบเลยดะแล้วเท่านั้น ระ ง, งับความโกรธแต่ความเมตตาเรื่อผ ม, มุทธหานตสี่ข้ามโกรธมาได้อย่าไประ ง, งับเลยมระ ง, งับไม่ลงหรอกจะหาความดีความดีมาพูดมาคุยอย่างไรอย่ามาคิดมานึกอย่างไรมั น, ม, นมันไม่เป็นไปหรอกข้ามโกรธอยู่ภายในใจของเรา อ, อ, อ, อย่าง ในยาถ้ามีที่อยู่ด้วยกันเมื่อโกรธแล้วเท่านั้นเนยไม่หายชักทีต่อเมื่อควบโกรธหายแล้วความเมตตาเกิดขึ้มานั่นฮะยังค่อยมีเรียหัดทำพอวนาสมาธิให้จิตมันเป็นเต่ก่อนมันยังค่อยมันเกิดจากภายในใจมันยังเพเกิดขึ้นมาเพราะไม่หาั้งสซี เมื่อเกิดขึ้นมาเมตตายดูสงสารแก่มนุษย์สัตว์ทั้งหลายทั่วไปมอดจะเป็นอภัปัญญาก็ดีจะเป็นผู้มีฐารก็ดีตัวของเราก็เบากายสบายจิตเราจะพูดจะคุยสิ่งใดแก่คนอื่นหรือมนุษย์เรจะพูดกับสัตว์ด้วยใจธรรมานสัตว์จะอบรมสั่งสอนสัตว์ก็เยือกเย็นเป็นไป้วยความสุภาพเรียบร้อย ใจมันเป็นธรรมแล้วสแสดงออกมา น, นิดๆหน่อยๆพอเป็นธรรมถ้าใจเราไม่เป็นธรรมแล้วพูดว่ามันแห่งกระทบกระเทือนออกไปภายนอกตั้งใจที่จะพูดให้สวย ๆ, ๆงามๆแต่พูดออกมามันกระทบกระเทือนถ้าหาว่าใจเป็นธรรมแล้วใจเป็นสงบเป็นสมาธิแล้วพูดภายออกมาภายนอก มันก็สงกเรียบร้อยถึงพูดคาหยาบมันก็กลายเป็นของดีพอฉะนได้ในเมื่อจะพูดจะคุยกันจงตั้งจิตให้เป็นสงบซะก่อนหายจากความโกรธซะก่อนพูดถึงเพ่อไดก็ถอยได้กวาเป็นไปเพราะความสุขสงบอันนี้เรียกว่ามูมิหานหรืออัภปมัญญาก็อยู่ในนี้ พลังงานของใจเหมือนกับลวมแม่น้ำที่มันไหลย่ตามธรรมดาแทนที่เราจะให้มันปล่อยไปตามเรื่องมาทดซะแล้วก็จงปองน้อยให้มันไหลมันจะค่อยไ ห, แหลแรงใจของเราก็เช่นนั้นเหมือนกัน มันฟุ่งสานส่งไปสารพัดทุกทิศทุกทางมันไม่รวมรือสักทีเนาอยชมาหัดสมาธิให้จิตรวมในที่เดียวให้อยู่ในอารมณ์อันเดียวคิดเฉพาะเรื่องเดียวอย่างผมอวยหานี่แหละ คันท่าหากว่าคิดในเรื่องเดียวแล้วมันจะเห็นชัดในใจของนตนเมตตาจะเกิดขึ้นกรุดูนหาวทีตาจะเกิดขึ้นในที่นั้นมันเกิดพลังของมันเกิดพลังขึ้นใจมันเกิดพลังขึ้นพอมันยังสามารถที่จะหัดดันและความชั่วออกไป ความอดปวดแคลนสัตว์ปัสตทุกอย่างที่มันอิจฉา ย, ยาหายไปหมดมันรวมในแห่งเดียวแล้วอย่างพูดให้ฟังไม่ง่ายว่าเราการดงหายใจท่านดงหายใจทุกพักตึงมันหมดแล้วกันเรื่องนั้นมันสมสายผายนอกมันหมดแล้ว มันยังเหลืออยู่แต่ความรู้สึกคือเรียกว่าอันที่เรียกว่าใจนะันมันยังอันเดียวอันนั้นเรียกว่าเข้าถึงใจแต่ว่าอันนั้นเป็นตัวอย่างเฉยให้เห็นใจเท่านั้นแะแต่มันไม่สามารถจะอยู่ได้นานต้องฝึกหัด ใจของเรานี้ด้วยวิธีต่างๆจะนึกพุทโธพุทโธมาอยู่ในนโดมมาเดียวเอาหรืออนาปาสติพิจารณาลมหายใจขเขาออกก็เอาแต่ว่าให้เอาอันเดียวจะอันใดเอาจนกระทั่งมันรวมลงมาได้เข้าถึงจุดคือตัวใจอันนั้น จะอยู่ได้นานบางทีเราอยู่ได้เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงก็ได้มันจะไม่คิดนึกสงสายอะไรต่างมีแต่ความรู้สึกเฉยๆความรู้สึกอันนั้นแหละจะเป็นเหตุให้แผ่เมตตาได้ก่วงขวงางที่จะคิดอะไรต่างก็ได้ก่วงขวางแต่คิดแล้วมันก็ ไม่ส่งออกไปมันกลับเข้ามามว่หาตัวเดิงถ้าหาก็ส่งออกไปได้หมดถ้าไม่มีพลังพิจารณาไดไมันกลับเข้ามาอยู่ในที่นี้ตัวเดิมมันจับหลักให้มันได้นั่นยังค่อยมีกำลัง อะไรทั้งหมดขอให้รวมมันได้เดี๋ยวนี้เราตั้งแต่เกิดจนป่านนี้แหละใจของเราไม่เคยรวมสักทีมันยังยุ่งยากอยู่คันรวมได้สักทีหนึ่งแล้วมันเห็นโอ้ความรวม ม, ร ม, ม, มันเป็นอย่างงี้หรอจิตมันจสงบเป็นยางงี้หรอ ไี่เองเอาความสงบให้เป็นหลักจะพิจรารณาอะไรทั้งหมดทั้งปวงความสงบงบอันนั้นเป็นหลักไม่ทิ้งความสงบก็จะมีกำลังเพียงพอสามารถที่จะตันงฐานต่อสูขอ้ของกองคิเลปาระทั้งปวงได้ เงี่ยให้เขาถึงหลักตรงนั้นอ่ะเอาทนั่งพอนาททาสมาธิกันคนเรานักจะเกิดมาไม่มีการเสียสระสักทีของภายในก็ของภายในก็เป็นของหนักอยู่แล้ว ยังไม่พอยังต้องไปยึดเ ข, ของภายนอกอีกพระเจ้าททันเทศนาว่าภาราหาวิปัญจคันธาคันธานี้เป็นของหนักแหลภาราฮาโลจจปุคโลแต่พุคคลก็ยังไปแบกเอาเป็นภาระอยู่ภาราทา น, นังทุกขังโลกเอง ผู้นำภาระทั้งหลายเหล่านั้นเป็นทุกข์ในโลกนิคคิปดตวะขลุงภาลังนันยังภาลังอนาธิยะจงพากันทิ้งภาระอ น, นั้นเสียได้แล้วไม่ยึดถือเอาภาระอื่นต่อไปจึงจะพ้นจากทุกข์ในโลกนี้ไม่มีทุกข์อื่นอีกต่อไป ขันห้าได้แก่รูปหนึ่งเวทนาหนึ่งสัญญาหนึ่งสังขารสังขารวิญญาณหนึ่ ง, ญญงเรียกว่าขันห้ายี่เรียกว่าย่อเรียกว่ารูปกับนามสิ่งที่เห็นด้วยตาหนังเรียกว่ารูปสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาหนังมีแต่ความรู้สึกรูป ในใจเรียกว่านามโลก น, นี้เรียกว่าขันธโลกคนเกิดขึ้นมาในโลกนี้จึงได้ขันธโลกแล้วจะให้ทิ่งอย่างไรถ้าทิ่งมันก็ยังอยู่อย่างเดิมรูปทิ่งแล้วเมื่อตายไปมันก็บังเกิดมันก็ยังถือว่ามีรูปอยู่ ชวนสีอย่างมีเวทนาเป็นตน้นไม่ต้องพูดต้องมีอยู่ดีๆนั่นแหละให้พระเดชจาท่านสอนให้ปล่อยวางเพราะรูปเป็นของไม่ใช่ของเราเราจับไปยึดไปถือว่าเป็นของของเราก็ไม่ใช่อะไรก็ไม่ก็ไม่ได้เนื่องากเป็นอยู่อย่างนั้นมีหน้าที่เกิด แก่จะตายมันก็เป็นตามธรรมดาของมัน